โยโซภคะวะอะระหังสัมมาสัมบุทโธสวะ ดัมมยังบุตตสาภังขวัตโตบุพพังคนมการังกโรมาเสนัโมทัสสพภะคะวะโต แจดานาสขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีรอกริ มีพระองค์อันประตอบด้วยพระยานและพระการุณาอันบริสุทธิ์บุรีสิโยสุจณนตังกามังวาสุโรพระองค์ได้ทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบาน ห ว, วันวันดามังตามารังศิราสาขินดังด้งะภาคเจ้าไว้พระจินนสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงพระบูทวโยสักะัก ธรรมะพระพุทธเจ้าพระองค์ดเป็นสารอัหาเสงสูงสุดของศั์ทั้งหลายปาธรรมานุสติทานวันดามิจังสิเรนา โอทาสานิทัสวาุโธเมธาเมตสโร ทาตาใจภาสเน็งราพุทธเจ้าเป็นเครื่องกันดาบุและทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าบุพุทธสานมิยาเดมิสัยรันทิมิตานทิดังข้าพเจ้ามอบกายกับวั วันดานโตหังจริสามีป nah ุทาเสวสุโคพิทังข้าพระเจ้าผู้ว่ายจตกพระพุทธาซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสารนังอันยังพุทโธ พระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณาอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเทนซาจาวาเจนลาเตยังสานตุสาสติด้วยการกล่าวคำศัตท์นี้ครั เจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาบุธรทาเมวันดมนามันยัญยัญปุญญาปสุทังอีกทาง้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ควรควายวุณใดในปัดนี้ ตัเวทีอันตระนิยมมหิส <2 Vallahi corri endo> ุตัสสะเทศสังอันตระไร่ข้ามวงยาได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนามบ่การลิว่าจะโยเทตสาวะ ด, di, ด, di, ด mang ้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีโบุเทขุคามมังประกทังรยายังการหน้าที่เตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าบุทโธปฏิคันแห่ตัวใจอันต่าง ขอพระพุทธเจ้าทรงมดซึ่งโทษด้วนเกินอ น, อนอันต์การตาเรสังวริตุงวาพุทธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไป ัดามิยังธรรมานุสติในยังกัโรมาเส ควานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตราไว้ีแล้วเป็นต้นโยมคัปปาคัปปาริยาติวิโมคติโตมเห็นธรรมนันจกแน่เป็นมากนลปริยาได้ทาน ตรมโมคุโรกัป ต, ตะนาตะตา า, าริาฮาริเป็นธรรมสงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจะการตกไปสู่โลกที่ชั่วบวชนามังตรมหาลังวารธรรมมารีาตังาพระเจ้าไวพระธรรม พระเสิดน้นอันเป็นเครื่องกระจักเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสาพปะ ป, ปารินังสารานังเคมะมุตตังพระรานใดเป็นสาราอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลาย ดูติยานุสติญานังวันดามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าว่ว้พระธรรมนันอ่านเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกคงที่สองด้วยเสียงกรา ฐานมาสาหาสิดาสุวาธรรมโมมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นภาพของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้า อาโมตุคาสัคคาจาวิธาตาวิตาสเมพระธานเป็นเรื่องกำจัดภูและทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรมมาสามิยาเดมิสาริงชีวิตาังทีดัง ขอไถ่ถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันกั้นตูนกัริสามีคามาเสวะสุธรรมมาทางข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่จากรพระพุธธรรมซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรม นาทิเมสารนังอันยังทำโมเมสารนังวะนังสารณาหื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารณาอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเทนสัจว์วะเทนวะเคยยังสาธุสาสนี ด้วยการกราบคมสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรมมะเมวันลมานเนืนายางพุนยางปัสสุตังิทังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระธรรม ได้ครไขยบุญใดในบัดนี้สาบตร์วิทอันตรายามีมาเหตุสุขตาสตชะสหาอันตารายทางปวงย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้น กายนาวาชายวเทตาสาวาด้วยกายกด็ดีด้วยวาจากด็ดีด้วยใจ ก, ก็ดีธรามีขุขามังพรกังมอยายังกรรมหน้าที่เตียนนัในใดที่ท่าพราเจ้าขา้ า, ขาทำแล้วในพระธรรม ท่าโมปฏิการหันตัวแกยันต่างขอพระธรรมจงหมทซึ่งโทษดวงเกินอ น, นันกาลันตะเรสรวริตุงวัฒรมีเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในทานต่อไป อันดมยังสังขาญนสติในยังการโฮมาเซสุปาติปันโนภาขวะโตสาวะขัสมโสุภสาวะของราภูมิพระภากเจ้ามูได ปฏิบาตีแล้วโอชุปปิปันโนภคะโตสาวตสมโคสงสารุของพระผู้มีพระภาคเจ้าหูใด้ปิบาตรงแล้ว ยายาปาติการโนภาขวโตสาวกสังโฆสมสาโวของระภูมิพระภากาหูใดป า, าดปิบาเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว สาลีติปปิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสัโสงโฆทรงสาวของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไรปฏิม า, าสมควรแล้วยาดีทังได้แก่ผุ้คนเหล่านี้คือ จาตาริภ oh nah ุริสายุคานิอาธาภุริสับุคลาคแห่งบุรุษสีคูหาเปรียงตัวบุรุษได้แป่บุรุษเอสสะภาวะตัสาวกสังโก นันแหละทรงสาวโของราผู้มีพระภาคเจา้าอาหุนนายโยเป็นทรงควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาป้าหุนนายโยเป็นทรงควรแก่สการาที่เขาจัดไว้ตอนรับ ดากินายโยเป็นผู้ควรราตศสินาทานอันจะริการณยโยเป็นผู้ที่บูคคนทั่วไปควรทำอันฉะริอนุตรังปุญยาเทตังโลกาสติเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่ีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้หันดำเฮียงสังคาพิกิติงกโรมมาเซสาธามะโชสุปฏิปาติคุณาดิยุโตราทรงที่เกิดโดยประ พระองด้วยคนมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาพิโทอาริยบุคคลาสังกะเสโทเป็นโมแห่งพระอาริยบุคพนันะเสริจแตกคำพูด สีราหิรามาปวราสยกายทิโตมีกายและทิทานาใช้ทำมีสินเป็นต้นนาบววันคนามทมาริยานัธนางสุุทงข้าพเจ้าไว้หมแห่งพระอริยเจ้าเรานั้น หาบริสุทธิ์ด้วยหีสามโยสาภะตานินางสาราเกเมมุตตมัพระทมงมูไดเป็นสารานกสมสูงสุดของสัตว์หรายปาิญาณุสติทานังวันดามิท สิเรนาข้าพรจ้าว่ายพระสงหูนันอ่านเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกคงที่สามด้วยเสียงข้าว ส, สามภาคสัมนิดาโซวาสังโมเมสา พระเจ้าเป็นทาสของพระสงค์พระรงค์เป็นนายมีสรรเนือท้าพระเจ้าสร้างโคดุทาสคาตาเจวิท า, าตาจริตาสเมพระรงค์เป็นเรื่อ ง, องาการจัดทัก และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสรางพาสรางนิยาเดมิสริรันชีวิรันธีดังข้าพระเจ้ามอบ ก, กายกวาชีวิตนี้แด่พระสงค์ วันดันติหัตริสามมิสัมภะโสปฏิทานนตังข้าพระเจ้าผู้ว่ายู่จากพระพุทธามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงค์นาถิมีชรานังอันยังสังขูมีชรานังวรัง สารณาอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระทรงเป็นสารณาหันประเสิฐของข้าพระเจ้าเอเทนศัตว์เจ้เ า, า, า, าเทนวะเทยังสาธ์ทุศานิด้วยการกล่าวคำสั์นี้ ข้าพระเจ้าพึงจเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาส้างทางมีวัด น, น้ำมานเหนและยางพุนยางปัสสุตังอีธาข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระสมได้ควรควายบุญใดในบัดนี้ เวติอันตารายามีไม่สุขัสสะเปตัสสัอันตรายตั้งพวงอยาได้มีแค่ข้าพระเจ้าด้วยเด็แห่งบุญานาคเยนวัจญวัจิตาสาวา ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสางเฆคูก่มมระกรรมปาคตังมายายังกรรมหน้าทิเทียนันใดที่ข้าพระเจ้าขระทำแล้วในพระสงค์สร้างโคปฏิกันทั้งตัวจะยันตาขอพระสงค์จงอสงฆ์โทษ ด, ดวงเกิดอันนั้น ตาลันตาเรสังวริตุงวสังเทเพื่ อ, อาการสำรวงระวังในค่าสมในการต่อไปเปิดไปหน้าสามสิบสองหันดมยังอภินหาปัจเจเวคณาปาทั้งพนามาเซ อารามโมนีเรามีความแก่เป็นธรรมดาชารังอนาติเตเราจะร่วมพนความแก่ไปไม่ได้บายะทีท่ทำโมนี เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมาบายาทิ้งอาณาติโตเราจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาราณา ม, มุรีเรามีความตายเป็นธรรมะมารน า, านาณาติโต เราจะด่วงพ้นความตายไปไม่ได้สาเพอิเมธิเยหิมะนาเพหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นไป่างๆาคือว่าจะรักรักจของรักของจะเรินใจทั้งไดายทั้งปวง กรรมสกมลีเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมดายาโทเราเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมโยนีเราเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิร์ดกรรมพันทุ เราเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพานคุกรรมมรรคตรสารณเนรเราเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกริสามีเราจะกระทำกรรมอันใดไว้คาระยานังวาคากังวา ดีหรืช ja <samurai>, ja ja ja ั่วตาสาดยาโทภวิสามีเราจะเป็นผู้รับผลของการนั้นเอวังงามนิยตินันปัจเวทตัพังเราจะพิจารณายามีทุกขวันเด เปิดไปหน้าสามสิบเจ็ดแผ่เมตตาสาเวสัตตาฮันวาสาตางได้ทางควรที่เป็นเพื่อนคู่ กรวดน้ำเย็นไม่ต้องแปลหันดัมยังวุติสนาทิธานาคาทายโยภนามาเซหิมนาปุญยากรมเมนาอุปชาชยาคุรุตารา มหาริยุปการราชมติการยาตาตาสุริยจันทิมาราชคุณวันตาณาราปิกาพระมาราชาอินท e รุปการาคเทวตา ยาโมมิตาโมสนาจามจตาเวริกาปิจะสัพเพสตสุขีโหตุปุญญาณิปัตตาิมสัจัตติธังเบทุขิปปเทาโวมะัง อิมินาปุญญาัมเมนะอิมินะอุติเสนะจะกขิปานสุระเพติวะกันทุปาดานเชตานังเสันตานีนะธรรมายาวานิกานโตมมัง นาสันตุสัพพายะวัฏานะโตคะเวคะเวโชติตังสติปัญญาสันเลโกวินมาราภันตุโนกาสังาตุนจะวิริยสุเม บุตาติกาวาโรนาโตธรมโมนาโตวุตตโนาโปเทกพุทธโธจสังโฆนาโตตารมะนัเทโสตตมานุภาเวนะมารุกะสังรนตุมากก ธรรมวัดเย็นก็สิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ขง ค, คาลาท้ายโยปานาหามะเซสามบทโททิปาทางเซโตนิสินโนเทวา My. Uh -huh. เี้ Ah. Uh -huh.